<laughs> . ถ้าถามว่าในที่นี้มีใครไม่รักตัวเองบ้างก็แน่ใจได้ว่านะไม่มีใครยกมือนะทุกคนก็รูแลแต่รักตัวเองทั้งนั้นรักตัวเองเนี่ยหมายความว่ า, วายัางไงก็หมายถึงการมันดูแลรักษากายรักษาใจเนี่ยอันนี้เป็นเป็นบันไดหรือเป็นหน้าที่เบื้องต้นเลยรักษากายไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยรักษากายให้มีอาหารนะ บำรุงร่างกายต่างๆร่างกายอาวัยวะต่ า, างๆให้ดีไม่ให้หิวโหยรวมถึงการทำให้ร่างกายนี้มีความสุขสบายแต่การทำให้ร่างกายสุขสบายมากไปก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นปัญหากับตัวเองได้อัทุกวันนี้คนที่ป่วยเพราะว่ารักสบายนะ จะจะให้ร่างกายเนี่ยไม่เหนื่อยไม่ต้องออกแรงวันๆเอาแต่นั่งนะถ้าไม่นั่งก็นอนแม้แต่ทํางานนะก็นั่งการออกกำลังกายนะก็พยายามบ่ายเบียงหลีกเลี่ยงเชนนี้เพราะเห็นว่าจะทําให้ร่างกายมันลาบากนะเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยมันกลับเป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะเพราะว่า เมื่อเราเอาแต่กินนะเราเดี๋ยวนี้อาหารการกินมันก็มีคุณภาพมากขึ้นเนื้อเอ่ยนะน้ำตาลเอ่ยเกลือเอ่ยพวกนี้มีมากมายกินมากๆนะแต่ว่าไม่ได้ออกกับร่างกายเพราะว่าไม่อยากให้ร่างกายลําบากไม่อยากให้ให้เหนื่อยอันนี้แหละคือการทําร้ายตัวเองนะในระยะยาวทําให้เป็นโรคความดันนะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวาน สารพัดนะดัการรักษากายเนี่ยนะก็ต้องรู้จักทำความสบายให้ให้พอดีพอดีอดนะไม่ใช่สบายมากไปอย่างนี้งที่เราต้องทำก็คือว่าพยายามป้องกันไม่ให้ะมีอันตรายนะมาถึงตัวของเราสมัยก่อนอันตรายนั่นก็ได้แก่พวกสัตว์ป่าสิ่งมีพิษ สัตว์ร้ายงูเหี้ยลคิ้วขอสิ่งมีพิษนี่ก็อาจจะได้แก่ไม่ใช่แค่งูอย่างเดียวนะอาหารนะที่เป็นพิษก็มีเยอะธรรมชาติก็พัฒนาร่างกายของเราให้มีความสามารถในการที่จะรู้เท่าทันอันตรายเหล่านี้นะมีตาที่ไวแล้วก็มีความระแวดระวังอันตราย อะไรเห็นอะไรผิดปกตินะร่างกายก็เตรียมทํางานทันทีหัวใจก็เต้นแรงนะปอดก็เตรียมทํางานข้ามเนื้ก็เกรง็งนะเพื่อที่จะเตรียมสู้หรือไม่ก็หนีเจออะไรยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเนี่ยร่างกายมันก็ตื่นตัวไว้ก่อนแล้วบางทีเดินไปนะในป่าเห็นอะไรเป็นคล้ายๆเป็น เหมือนกัตริย์ที่ทอดนะตัวยาวขวางทางสมองยังไม่ทันบอกเยว่าเป็นงูหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ชนะะงักเท้าทันทีหยุดเดินนะหรือตัวก็เกร็งนะเลื่ ก, ก็สูบฉีดแรงเพื่ออะไรนะเพื่อเตรียมตัวรับอันตรายเตรียมตัวเผชิญกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นร่างกายเรามันเตรียมพร้อมก่อนนะ กว่าสมองจะบอกว่าไอเนี่ยงูนะพวเราเคยเคยเคยเจอนะแบบนี้ไหมสมองอยังไม่ทันจะบอกว่าเป็นงูแต่ว่าร่างกายมันเตรียมพร้อมแล้วเท้านี้ก็หยุดเดินตานี้ก็จ้องไปที่อะไรที่มันยาวๆทอดนอนอยู่เบื้องหน้าสักพักก็รู้อ๋อมันงูนะนี่ร่างกายเราเนี่ยนะมันมีความ มีความระบาดระวังอันป้องกันตรายมากในลิ้นเราเนี่ยนะมีปุ่มรับรสหวานเนี่ยเพียงแค่หนึ่งหรือสองชนิดเท่านั้นแหละแต่ว่าปุ่มที่รับรสขมเนี่ยมี20กว่าชนิดทําไมมันแตกต่างกันมากอย่างนี้นะเพราะว่ารสขมเนี่ยมันหมายถึงพิษนะพิษสมัยก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพิษเนี่ยมันจะมีรสขม อที่ผักมันมีผักหลายชนิดมีรสขมเนี่ยก็เพื่อว่ามันต้องการปกป้องอันตรายเนะพราะสัตว์นี่ไม่ชอบรสขมนะมันก็เลยผลิตรสขมขึ้นมาเพื่อว่าสัตว์จะได้มันมากินใบกินต้นของมันแต่ว่าในความขมนั้นมันก็มียานะมีฤทธิ์ทางเภสั์ด้วยธรรมชาติเนี่ยพัฒนาลินของเราเนี่ยเพื่อที่จะได้ระวังนะไม่ให้ไปเผลอกินสิ่งที่เป็นพิษ ซึ่งมักจะมีรถขมในขเดยวกันเราก็ต้องนะคอยดูแลร่างกายของเรานะไม่ให้อันตรายอย่างอื่นเข้ามาด้วยเช่นเวลาข้ามถนนนะก็ต้องคอยดูรถว่ามันจะมาปุ่งชนไหมเดี๋ น, ะนี้คนตายเพราะอุบัติเหตุมากกว่าตายเพราะฆ่ากันสมัยก่อนนี่ตายเพราะฆ่ากันตายเพราะสงครามนี่เยอะนะอุบัติเหตุนี่น้อยนะเพราะว่าส่วนนึงก็เพราะว่า เทคโนโลยีมันยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นที่จะมีรถยนต์หรือว่ามีเครื่องไฟฟ้าที่จะทําให้ถึงตายได้เพราะอุบัติเหตุจากนี้เดี๋ยวนี้ภัยมันก็มาในรูปใหม่นะเป็นเทคโนโลยีเป็นรถยนต์เป็นเครื่องไฟฟ้าที่มีสามารถทําให้ถึงตายได้เครื่องยนต์กลไกต่างๆในโรงงานเนะีพวกนี้มันกลายเป็นภัยชนิดใหม่ที่สามารถจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ตัดนิ้วนะตัดแขนหรือว่าชนให้ตับแตกหรือว่าร่างกายพิการได้เราก็ต้องถ้าเรารักษาเรารักตัวเองก็ต้องดูแล ร, รักษากายให้ดีนะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเล่นงานเรารวมทั้งเชื้อโรคด้วยเดี๋ยวนี้เชื้อโรคก็ก็ยังเป็นปัญหาแม้ว่าโรคหลายชนิดสูญพันไปแล้วนะแต่มันก็ยังมีโรคหลายอย่างที่เข้ามา เราก็ต้องดูแลอันนี้เป็นเรื่องของกายนะเรื่องของใจก็เราก็ต้องรักษาเหมือนกันนะรักษาใจของเรามันมีอันตรายที่จะมาทําร้ายจิตใจของเราได้เหมือนกันนะปู่จ่าตรัสว่าอันตรายมีสองอย่างนะอันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยก็ได้แก่เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยสิงสาราใสายงูเงี้ยวเคี้ยวขอนะ อาหารที่เป็นพิษนะหรือว่าภัยธรรมชาติรวมทั้งภัยจากผู้คนที่มุ่งร้ายด้วยอันนี้เ็อันตรายเปิดเผยซึ่งมันกระทบกับร่างกายของเราบางทีก็ถึงชีวิตแต่ว่าอันตรายประเภทหนึ่งคืออันตรายที่ปกปิดนะอันตรายที่ปกปิดนี่ท่านก็หมายถึงนะความโรคความโกรธนะความเศร้ควา ม, าวามนเนื้อต่ำใจความถือตัวความมา ก, มาก ความไม่รู้จักพอพวกนี้แหละคืออันตรายที่สามารถจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราได้ดังนั้นถ้าเรา ล, ลักตัวเองเนี่ยก็ต้องนะหมั่นในการดูแลรักษาใจนะไม่ให้อารมณ์เหล่านี้ครอบงํานำะธรรมชาตินี่ก็ให้ให้หลายสิ่งหลายอย่างมาเพื่อรักษาใจของเราไม่ให้เป็นอันตรายนะสิ่งหนึ่งก็ได้แก่สติเนะี่ยสตินี่เป็น เป็นตัวสําคัญมากนะเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะธรรมที่มีอุปการะมี2 อ, อย่างนะคือสติกับสัมปชัญญนะสติความะระลึกได้นะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้ก็เป็นความหมายที่แปลแบบง่ายๆนะสตินี่ก็ยังรวมไปถึงว่าการที่เราเกี่ยวข้อต่างๆนะอย่างไม่หลงไม่ลืมเป็นเพราะความหลง เป็นเพราะความดื่มตัวนะมันทำให้อารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลหรืออันตรายที่ปกปิดเนี่ยมันเข้ามาเล่นงานจิตใจของเรามีความรู้มากแค่ไหนนะมีคฤหาสนะทีะ่ใหญ่โตมีกำแพงที่แข็งแรงมันก็ไม่สามารถจะป้องกันอันตรายที่ปกปิดหรือว่าสกัดกัน้นไม่ให้มาครอบ ง, งำใจได้ นะมันสามารถจะป้องกันก็ได้แต่อันตรายที่เปิดเผยเช่นกำแพงป้องกันไม่ให้ขโมยเข้ามาป้นบ้านมาทำร้ายเรานะหรือว่าทำให้สัตว์ร้ายนี้ไม่เข้ามานะเล่นงานนะร่างกายของเราแต่พวกนี้มันไม่สามารถจะป้องกันจิตใจเราไม่ให้ทุกได้เลยสิ่งสำคัญที่จะป้องกันใจเราไม่ให้ทุกนั่นก็คือเนี่ยสติกับสัพชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวนะ ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเพียงแค่เดินลงบันไดนะก็สามารถจะตกบันไดนะหัวล่างข้างแตกได้แต่ว่าอันนั้นไม่เป็นอันต ร, รายนะที่เกิดขึ้นกับกายแต่ถึงแม้จะมีสุขภาพดีนะแต่ถ้าใจเราเนี่ยไม่มีสตินะมันก็จะทำให้มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาเล่นงานจิตใจได้เังนั้นการเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเรา รักตัวเองเนี่ยการรักษาใจอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการมันเจริญสติเพื่อให้มาทําหน้าที่รักษาใจของเรานะเป็นเสมือนกับปราการนะอันเข้มแข็งจริงพระเจ้า ก, ก็เปรียบสตินี่เหมือนกับทหารยามนะหรือว่าทวารบาลพระผู้เฝ้าประตูเมืองนะเมืองนี่ก็คือจิตนครนนะพระเจ้าเปรียบใจของเราเนี่ยเหมือนกับนครนะซึ่งจะปลอดภัยได้เนี่ยก็ต้องมี คนที่เฝ้าประตูเมืองนะที่ที่ฉลาดนะแล้วก็หูตาไวนะไม่ปล่อยให้อะไรเด็ดลอดเข้าไปเล่นงานทำร้ายจิตนาคนครนี้ง่ายๆการจิลสติเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหนทางสำคัญเลยนะในการที่จะช่วยรักษาใจของเรานะให้มีความสุขแล้วก็ช่วยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะปลอดพ้นจากอันตรายได้ ตใจเราเป็นปกตินะาสุขไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธด้วยอารมณ์กราดเกลียวความเศร้ามันก็ช่วยทําให้สุขภาพกายของเราดีด้วยว่เดือนนี้เนี่ยความเจ็เบปวดของผู้คนเนี่ยมันก็เกิดจากใจนะที่เต็มไปได้วยความเครียดความวิตกกังวลมันก็ทําให้เป็นโรคนะความดันขึ้นนะความดันสูงเราหัวใจ เราก็เชื่อว่ามันก็มีส่วนทําให้เกิดโรคมะเร็งบางประเภทบางชนิดด้วยให้คนที่รักตนเนี่ยนะก็จะไม่ละเลยนะการฝึกจิตของตนให้มีสตินะที่ว่องไวปราดเปรียวการเจริญสตนะิก็มีแบบแผนอยู่แล้วนะอย่างที่เราสอนมาสักครู่เนี่ยการเจริญสติก็มี4วิธีนะมี4หมวด4ประเภทนะกายานุ ป, ปัสสนา พิจารณากายหรือรู้กายเวทนานุปัสสนาคือการพิจารณาเวทนาหรือการรู้เวทนาทั้งสุขและทุกข์จิตตานุปัสสนาคือการพิจารณานะหรือว่ารู้ใจรู้จิตนะซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงความคิดและอารมณ์นะที่เกิดขึ้นรวมทั้งรู้ธรรมหรือพิจารณาธรรมเข้าใจแจ่มแจ้งให้ธรรมานุปัสสนาหรือการพิจารณาธรรมเห็นธรรมเนี่นะ มันก็หนีไม่พ้นเรื่องกายเรื่องใจนั่นแหละนะเพราะว่าธรรมที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิวรห้าขันห้าเอตนาสิบสองโปชงเจ็ดรวมทั้งเรียษฎีสี่ก็หนีไม่พ้นเรื่องกายเรื่องใจนะไม่ได้ไม่ได้นอกเหนือไปจากกายและใจเลยงั้นถ้าเรามันนะมันถ้าเราฝึกตนเข้ารู้กาย รู้ใจนะรวมทั้งรู้เวทนาก็ทําให้เรารู้ธรรมนะได้อย่างแจ่มแจ้งพระอรหันต์ทั้งหลายท่านท่านพ้นทุกได้เพราะท่านรู้ธรรมนะท่านเข้าใจนิวรณ น, น้ท่านเข้าใจเรื่องขันหน้หรือว่าเห็นแจ้งเนี่ยรรสัต4ี่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการที่ได้นะมีความเข้าใจเห็นความจริงเกี่ยวกับกายและใจนะการเจริญสติถ้าพูดย่อๆสั้นๆก็คือการฝึกให้ รู้กายรู้ใจนั่นเองรู้กายนี่มันก็มีหลายแง่หลายมุมนะไกยนุปัสสนานี่พูดถึงการรู้กายเนี่ยด้านนี้ก็คือรู้ว่ากายกาลังทำอะไรเช่นยกมือนี่ก็รู้ว่ากาลังยกเมื่อเดินก็รู้ว่ากาลังเดินรู้ว่ากายกาลังเดินรู้ว่ากายกาลังยกมืออันนี้คือรู้ว่ากายทำอะไรในแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นปัจจุบันความหมายหนึ่งก็คือการรู้ว่า กายเนี่ยมันมาจากอะไรนะเกิดจากอะไรนะก็คือมาจากธาตุสี่นะดินน้ําลมไฟนะบางท่านท่า น, นก็พิจารณานะพิจารณากายจนนะเข้าใจเรื่องดินน้ําลมไฟนะเห็นว่ากายประกอบไปด้วยธาตุสี่นะบางท่านก็ความการรู้รู้กายอีกอีกแง่นึงคือรู้ว่ากายนี้มันจะไป มันจะไปจบที่ตรงไหนมันจะไปลงเอ่ยอย่างไรนะก็คือว่าเมื่อเมื่อหมดลมหัวใจหยุดเต้นนะไอ้ธาสีมันก็ค่อยแตกสลายคืนสู่ธรรมชาติร่างกายที่เคยสวยงามก็เริ่มนะน่าเกลียดที่เคยอ่อนยุ่นนะก็แข็งที่เคยอุ่นก็กลายเป็นเย็นนะแล้วก็ค่อยอืดก็ค่อยเน่าแล้วก็สลายไป ในแง่ในไกป่ปรัสนาเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งนะที่พูดถึงเรื่องการพิจารณาร่างกายที่เป็นศพจนมระทั่งเห็นมันแตกสลายเน่าเปื่อยไปแต่ว่าการฝึกให้รู้กายเนะีที่นี่เนี่ยเราก็เน้นแต่เฉพาะเรื่องการให้รู้ว่ากายทําอะไรนะก็คือให้รู้สึกตัวเมื่อเราอยู่ในริยาบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนนะ ก็ให้รู้เวลาทำกิจต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสามัญในชีวิตประจำวันเจ็นเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเหลยวซ้ายแลกขวาใส่เสื้อผ้านะคลองจีวรสบพายบาศนะเวลาคูขาเหยียดขานะก็ให้รู้นะรู้อะไรคือรู้ตัวรู้ตัวกํากลังทากำลังเคลื่อนวนเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งกินดื่มเคี้ยวลิ้มอุจราปัสสวะอิเลิบบทเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นอิเลบบทพื้นๆนะการฝึกสตินะเบื้องต้นก็คือการให้รู้กายนะรู้ใจนะก็คือว่ารู้ความคิดนึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันซึ่งพวกเราคงจะได้ได้ฝึกกันมาแล้วนะ การจรสิปฏฐานเนี่ยถ้าจะแยกออกเป็นสองเนี่ยมันก็แยกออกมาได้อีกแบบนึงนะก็คือในด้านหนึ่งก็ให้รู้ว่าเมื่อเราทําอะไรก็ให้รู้นะว่ากายกําลังเคลื่อนขยับทําสิ่งนั้นอันนี้ก็แสดงออกหรือทําฝึกได้โดยการทําในรูปแบบเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะใช้กายเนี่ยใช้กายทําเมื่อกายทําอะไรนะก็ มีความรู้สึกตัวรู้ตัวว่ากำลังทำอีกอันนึงคือรู้ทันเมื่อเกิดผัสสะนะรู้ทันเมื่อเกิดผัสสะอันแรกเนี่ยนะเป็นการจงใจเจตนาทำนะแต่อันที่สองเนี่ยคือการรู้ทันเมื่อเกิดผัสสะเนี่ยผัสสะนี่บ่อยครั้งนะมันมันไม่ได้เกิดจากเจตนาหรือความตั้งใจของเรานะเช่น รูปมากระทบตาเสียงเราก็ทบหูให้รูปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันมาโผล่ให้เราเห็นอาจจะเป็นใบไม้อาจจะเป็นผู้คนอาจจะเป็นงูอาจจะเป็นแมลงนะรูปเนี่ยมันคือสิ่งนอกตัวที่มันมาโดยที่บางครั้งก็ไม่ได้บอกกล่าวเล่าสึบแต่ที่ น, น่คือมันไม่ใช่เจตนาของเราเสียงก็เหมือนกันนะเสียงดัง จ, จะเป็นเสียงนก เสียงเสียงคนกลาลังก่อสร้างขุดดินเสียงคนพูดคุยกันอันนี้มันก็เป็นสิ่งนอกตัวที่เราไม่ได้เจตนาอยากให้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแล้มากระทบกับตาก็ดีหูก็ดีนะรวมทั้งความร้อนหนาวที่มากระทบกายก็ดีตลอดจนรสเผดเปรี้ยวหวานที่มากระทบลิ้นเราก็ดีไอ้สั่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เรียกเกิดผัสสะนะ เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ทันทีนะมันมากระทบเนี่ยมันยังไม่ใช่ว่าเกิดสุขหรือทุกข์ทันทีจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่การปรุงแต่งของเราอยู่ที่การความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้นเช่นเสียงเนี่ยเสีย ง, เ ส, ยงเสียงโทรศัพท์เนี่ยนะมากระทบหูเราถ้าเกิด่าตอนนั้นเนี่ยเรากําลังทํางานยุ่งยุ่งอยู่หรือตอนนั้นเรากำลังนั่งสมาธิ พอเสียงมากระทบเนี่ยแล้วเราก็เราก็เลยเกิดความไม่ชอบขึ้นมาพอเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยเราทุกทันทีเลยนะเราก็จะมีการผลักสายเสียงนั้นแต่ถ้าเสียงนั้นยังอยู่ยังไม่ยอมไปเนี่ยเราก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังรอเพื่อนซึ่งไม่มาสักทีหรือรอลูกนะเลยเวลานัดไปครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนยงแล้วยังไม่ได้ข่าวคราวพอได้ยินเสียงโทรศัพท์เนี่ย พอเสียงโทรศัพท์มกรต้บหูเนี่ยเราจะเกิดความชอบขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเรากาลังอยากรู้ว่าเขาอยู่ไหนเป็นอะไรหรือเปล่านะอยากจะได้ยินเสียงนั้นพอได้ยินเสียงนั้นนะก็มีความพอใจนะส่วนเมื่อได้ฟังข้อมูลแล้วอาจจะทุกข์ใจก็ได้ถ้าเกิดว่าได้ข่าวว่าเพื่อนหรือว่าลูกของเรานะที่กําลังรอยที่เรากําลังรอยอยู่ที่ห้อ เกิดอุบัติเหตุเลือกเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาผัสสะเนี่ยนะเมื่อมีอะไรมากระทบกับตาหูจมูกลิงกกายเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเกิดสุขหรือทุกข์ทันทีนะมันอยู่ที่ใจเรานะใจเราว่าจะปรงุงจะแต่งแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่นะของสตินะที่จะต้องรู้เท่าทันด้วยนะเพราะว่าถ้าสติไม่รู้เท่าทันการปรุงแต่งนะของของจิตเนี่ย มันก็สามารถทําให้เกิดทุกข์ได้เกิดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความโกรธได้แล้วเมื่อเกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาแล้วยังไม่รู้ทันอีกนะก็ปล่อยให้มันคลองใจแล้วมันก็ลุกลามจนกระทั่งสามารถจะเผาใจเราสามารถจะกรีดใจเราหรือบีบคั้นใจเราให้เป็นทุกข์หนักขึ้นก็ได้จนกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่ออยู่ในเมื่อเมื่อเป็นทุกอย่างนั้นเนี่ยนะก็ให้ระลึกให้ตระหนักอยู่เสมอนะว่า มันไม่ใช่เพราะสิ่งที่มากระทบนะมันไม่ใช่สิ่งที่มากระทบแต่มันเป็นเพราะใจของเราต่างหากใจของเราที่ไปเพอปรุงแต่งเช่นไม่ชอบรังเกียจไม่อยากได้ยินมีอาการผลักไสหรือว่ามองมันว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งชั่วร้ายนะตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เราทุกข์แล้วถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็จะทุกข์มากขึ้น คนส่วนใหญ่ไม่รู้ทันนะพอทุกขึ้นมาก็จะไปโทษนะไปโทษเสียงที่ได้ยินไปโทษภาพที่เห็นไปโทษสิ่งที่มาสัมผัสกายอันนั้นมันเป็นส่วนประกอบนะเป็นตัวรองความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดที่ใจเรานะเกิดเพราะเราไม่ชอบนะพอเราชอบขึ้นมานี่มันของอย่างเดียวกันนี่กลับทำให้เราเป็นสุขนะ เนเช่นอุจจาระเนี่ยนะฮะสระบางคนเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยเกิดความสึก ข, ขยะขยแขยงขึ้นมานะเพราะมันหมายถึงสิ่งสกปรกแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยพอเห็นอุจจาระเนี่ยกลับชอบนะเพราะนั่นคือปุ๋ยนะอ่าคนจีนเนี่ยเราไปเมืองจีนเนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยผู้คนก็คอยเก็บนะเก็บอุจจาระกันตามส่วมสาธารณะเขาเก็บเพื่ออะไรเพื่อไป ไปทำสวนแล้วเขาเห็นอุจจาระนี่เขากับเขากับดีใจนะคือมีความสุขนะเพราะเขามองว่ามันคือปุ๋ยนะชั้นดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพหรือรูปนะอุจจาระที่ปรากฏจก่สายตาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำให้เป็นทุกข์นะอายทาให้เป็นสุขหรือดีใจก็ได้ถ้าหากมองมันในแง่ที่เป็นบวก หรือมองว่ามันมีประโยชน์คําต่อว่าด่าทอก็เหมือนกันนะคําต่อว่าด่าทอหรือคําตําหนิเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมั น, มนกระทบหูเราเนี่จะทุกทันทีนะมันทุกเราจะทุกก็ต่อเมื่อเราไม่ชอบคําตําหนิแต่บางคนเนี่ยก็ <S <S จะชอบก็ได้นะพอคําตําหนิกระทบหูคนนี้ <S <S เขาก็เกิดความพอใจมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นผู้ก่อตั้งเมืองโบราณนะ เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเคยพูดว่านะวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะคุณเล็กวิริยพันธ์แกพูดเอาไว้นะวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลก็หมายความว่าถ้าถูกตําหนินะวันนั้นก็เป็นมงคลขึ้นมาะสำหรับคุณเล็กนี่พอถูกตําหนินะหรือว่าคําตําหนิมันกระทบหูเนี่ยไม่โกรธนะกลับดีใจหรือว่ากลับกลับพอใจเพราะว่า เห็นว่ามันมีประโยชน์คนบางคนนะในทางตรงข้ามพอคําตําหนิกกระทบหูเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าหมองว่าคําตําหนิมันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่แย่ถ้าว่าเจอเมื่อไหร่วันนั้นก็เป็นวันสวย น, ะนั่นสูบระทุ่มอยู่ที่ใจเรานะ่อยู่ที่ใจเราอยู่ที่การปรุงแต่งอยู่ที่การมองหรือรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบมีแม่จีคนหนึ่งนะชื่อแม่จีสานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ ขาวอนาลยโยเป็นคนที่อุปถักภ์พระและเนนดีมากขันแข็งแต่ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติธรรมจริงจังด้วยจนหลวงปู่ขาวเนยยกยนะ่องวันหนึ่งก็สั่งให้ลูกศิษย์สองซึ่งเป็นพระสองรูปเนี่ยนะไปด่าแม่ชีสาเพื่อจะดูว่าแม่ชีสาเนี่ยนะลดละความโกรธได้มากน้อยเพียงใดล่ะทั้งสองท่านนี้ก็ ทำหน้าที่อย่างแข็งขันเลยนะไปขุดคุยคำสารพันยมดาแม่ชีสาถึงกุติเลยนะแม่ชีสาที่แล้วก็งงนะอะไรเนี่ยแต่ว่าสติดีมากนะระหว่างที่โดนด่าแม่ชีสาก็พนมมือนั่งฟังนะอย่างสงบไม่มีอาการโกรธเกลียรหรือเป็นทุกข์หรือน้อยใจเลยนะไม่มีความรู้สึกแลว้วว่า โอ้ยฉันุษาดูแลพระอย่างดีทําไมมาถูกพระด่าอย่างนี้แม่ชีฝดแม่ชีสาฟังอย่างตั้งใจจนกระทั่งพระทั้งสองรู้ท่านด่าจบจนหนำใจแล้วแม่ชีสาก็พูดขึ้นมาว่าท่าทนอาจารย์ทั้งสองอด่าจบแล้วเหรนะดิฉันฟังแล้วทราบซึ้งเหลือเกิ น, นที่พระอาจารย์ด่านี่เป็นธรรมะทั้งนั้นคราวหน้าก็มาด่าอีกนะเพราะว่าจะได้ช่วยขูดกิเลสของดิฉัน คือคนบางคนเนี่ยถูกด่านิดเดียวนี่ก็โกรธแล้วแล้วไปคิดว่าทุกข์เพราะคาําด่าที่จริงไม่ใช่นะแต่ทุกข์เพราะวางใจไม่เป็นนะคือจิตเนี่ยมีความรู้สึกลบนะมันปรุงความรู้สึกลบคือความชังขึ้นมาต่อเสียงที่ได้ยินแต่ถ้าคนที่มีสตินะและมีปัญญาเนี่ยมองว่าคําด่านี่มีประโยชน์นะมันช่วยลดละ กิเลส ช, ช่วยขูดอัตตานะช่วยทำให้ลนละอัตตาก็กลับรู้สึกว่าเป็นของดีนะยิ่งได้ฟังนะก็ยิ่งขอบคุณนะผู้ที่ด่าตนเองนะอห่งใครที่บอกว่าทุกเพราะถูกด่านี่ไม่ถูกนะทุกเพราะถูกด่านี่ก็ไม่ใช่ทุกเพราะวางใจไม่เป็น ห, หรือทุกเพราะไม่ชอบนะ คำดานะทุกเพราะยังมีกิเลสนาะทุกเพราะยังมีความยึดมั่นในตัวตนยังยึดติดในหน้าตานี่ต่างหากที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงนะแล้วที่พูดมาเนี่ยสาเหตุที่ว่ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งในใจทั้งสิ้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนมันก็ไม่มีมีอยู่จริงนะแต่ ก, ก็ไปยึดมัน่นถือมัน่นจนคิดว่ามีตัวกูขึ้นมาไอ้ความชังก็เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่ใจมันปรุงแต่งขึ้นมานั่นเวลา เวลาเวลาเราเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยถ้าเราไม่อยากทุกข์นะเราต้องรู้ทันนะรู้ทันปฏิกิริยาของใจนะซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่สะสมเป็นนิสัยคือพอไม่ชอบนะเรานิสัยเราเราสะสมนิสัยที่จะไม่ชอบคําด่าไม่ชอบถูกต่อว่าซึ่งนิสัยนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนได้นะนิสัยอะไรมันก็ร่วมแต่เกิดจากการสร้างสะสม ของตัวเราทั้งสิ้นอะไรที่สร้างได้นะก็ล้มเลิกได้สร้างนิสัยใหม่ที่มองเห็นคาต่อว่าด่าทอว่ามันเป็นประโยชน์นะมันช่วยขูดกิเลส ช, ช่วยลดละอัตตานะเมื่อที่ที่แล้วนี่ก็ได้ไปไปบรรยายอภิปรายร่วมกับอาจารย์อดีตอาจารย์หมาเทลัยเชียงใหม่ท่านหนึ่งนะอาจารย์ประมวลเพ่งจันซึ่งได้เกษียณมาสิบปีแล้วอาจารย์ประมวลเนี่ย หลายคนรู้จักท่านนะจากหนังสือเรื่องเดินสู่อิสระภาพซึ่งเป็นเรื่องราวการเดินเท้านะจากเชียงใหม่ไปยังบ้านเกิดคือสมุยใช้เวลาประมาณเกือบเกือบวัน2เดือนโดยมีโดยมีกติกาให้กับตัวเองนะว่าหนึ่งไม่พกเงินไม่พกเงิ น, งนสองไม่ขออาหารไข่แค่สองอนี้ก็หนักแล้วนะไม่พกเงินเนี่ย แล้วก็ไม่ขออาหารใครเป็นเด็กขาดเป็นแตว่าเขาจะให้เองแล้วก็สามไม่จะไม่ไปเยี่ยมเยียนพักบ้านคนที่รู้จักนะตลอดเส้นทางยากกว่าพาทุดงอีกนะพาทุดงเนี่ยทุดงยังไงเนี่ยก็ยังมีความหวังว่าไปถึงบ้านไหนนะตอนชาตหรือเพจนี่ยก็ยังไงก็มีฉันนะบางทีฉันจนกระทั่งเหลือเฟือก็มี แต่ว่าอาจาประมวลเนี่ยเลือกที่จะไม่ทําทอย่างนั้นนะเรื่องที่จะไม่ไปขอไข่บางวันก็เลยไม่มีข้าวกินบางช่วงก็ไม่มีอาหารตกถึงท้องสองวันบ้างสามวันบ้างแต่ว่าการเดินครั้งนั้นก็เปลี่ยนชีวิตท่านอย่างมากนะท่นเราว่ามีช่วงหนึงนะเดินไปถึงประจวบเย็นแล้วก็ไปก็ไปจะไปพัก แรมที่วัดแห่งหนึ่งจะไปขอวัดเนี่ยเป็นที่พักขอที่พักนี่ขอได้นะแต่ขออาหารนั้นดราไม่ขอก็ไปเจอเจ้าวาดเนี่ยอยู่ที่ลานวัดพอดีก็ขออนุ ญ, ญาตเจ้าวาดเนี่ยขอค้างสักคืนนะที่ไหนก็ได้ปรากฏว่าเจ้าวาดไล่ทันนะบอกว่าที่นี่ไม่ต้อนรับคนจอนจัดทันทีที่ได้ยินประโยชน์เนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงรู้สึกยังไงโอ้ เป็นทุกข์มากเลยอาจจะโกรธว่าทาไมวัดไม่ต้อนรับนะเราทาไมเจ้าว่าไม่มีน้ำใจหรือเอ่อทไมถึงผักสายเรา อ, อย่างนี้แต่อาจารย์ประมวลนี่ท่านกลับซาบซึ้งจนน้ำตาไหลเลยนะพอได้ฟังประโยคท่านซาบซึ้งเลยท่านเล่าว่าเนี่ยตอนที่เป็นอาจารย์นะเป็นด็อกเตอร์สอนวิชาปรัชญานะมีคนนับหน้าถือตา ไปสอนมหาเจริยสงมีลูกศิษย์เป็นพระเยอะแยะหลายท่านก็เป็นพระครูลูกศิษย์เหล่านั้นเนี่ยก็นับถืออาจารย์ประมวลว่าเป็นอาจารย์ลูกศิษย์บางท่านที่เป็นพระนะคือพระนิสิตเนี่ยบางทีถึงกับเผลอไหว้อาจารย์ประมวลก็มีนะเพราะเคารพมากเพราะอาจารย์ประมวลเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็รักศิษย์มากตอนที่เป็นอาจารย์มหาเจรนี่อยู่ในสถานะที่สูง แม้แต่พระก็นับถือแต่ตอนนี้นะมาเป็นคนเดินเท้านะไม่มีสถานภาพใดนๆในในติดตัวนะกลับถูกผลักใสไล่ส่งนะมันทำให้ท่านเห็นนะโลกธรรม8ดชัดเจนเลยโอ้นี่แหละนะโลกธรรมแดนะเป็นอาจารย์ก็มีคนยกย่องนะแต่พอมาเดินทางแบบนี้นะ ก็กลับถูกปฏิเสธจากคนที่มีพระนะนับถือว่าเป็นอาจารย์เรียกว่าอาจารย์แต่ตอนนี้ขอไม่ต้อนรับเราเพราะท่นนี้ได้เห็นเรื่อโลกธรรมแปดโลกธรรมแปเป็นอย่างนี้แหละในความทราบซึ้งเนี่ยนะเกิดจากการที่ได้เห็นธรรมเห็นธรรมจากคําพูดนะผักสายของเจ้าว่าอันนี้ก็นับว่าเป็นเป็นเรื่องที่นะน่าสนใจนะ มันชี้เห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยแม้ถูกด่าเนี่ยแต่ว่าก็สามารถที่จะรู้สึกซาบซึ้งใจได้เพราะอะไรนะเพราะเห็นธรรมะนะจากคําคด่าหรือว่าคำคำปากใสยังไม่ชีสานี่ก็บอกนะโอ้ที่ท่านด่านี่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยอาจารย์ประมุขเหมือนกันนะถูกปฏิเสธนะด้วยเสียงแข็งนะแต่ว่ากับรู้สึกปราบรื่นซาบซึ้งใจที่เห็นธรรมะ คนเราพอเห็นธรรมะที่มันทราบซึ้งจริงนะทั้งนั่งที่อัดใจอยู่ในภาวะที่อ่าเจ็บปวดโดยโรคร้ายหรือว่าเพราะว่าถูกต่อว่าถูกผักใส่ด้วยคําพูดมันอยู่ที่ใจเรานะมันอยู่ที่ใจเราแะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าสิ่งที่มากระทบเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปรสกลิกลก่นเสียงก็ตามหรือสัมผัสตรงนี้แหละนะที่การเจริญสติเป็นสิ่งสําคัญนะมันช่วยรักษาใจได้เพราะว่า ถ้าเรารู้ทันนะรู้ทันผัสสะที่มากระทบรู้ทันจิตที่มีปฏิกิริยาต่อผัสสะนะที่มากระทบเนี่ยแล้วก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความคิดที่เป็นอกุศลครอบงำเนี่ยมันก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้แล้วนี่แหละคือวิธีการรักษาใจเราจะไปคาดหวังให้ทุกคนพูดดีกับเราเนี่ยเป็นไปได้ยากเราจะไปคาดหวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปดังใจ เดินทางไปไหนก็สะดวกราบรื่นนะรถไม่ติดนะไปที่ไหนอากาศเย็นสบายนะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวทำงานอะไรก็ประสบแต่ความราบรื่นกินอาหารก็เจอแต่รสชาติที่ถูกใจเป็นไปไม่ได้นะนนก็ต้องมีสิ่งที่จะเรียกว่าหยาบกระด้างมากระทบใจ สิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจนะปรากฏขึ้นให้เรารับรู้ไม่ว่าทางตาเช่นข้อความที่ส่งมาทางไลฟ์เฟซบุ๊กหรือว่าทางเสียงนะจากคำพูดของผู้คนจากคำนินทาต่อว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามากระทบนะตาหูจมูก ล, ลิ้นกายหรือแม้แต่ใจเราเนี่ยมันจะทุกข์นะมันอยู่ที่ว่าเรา ปรุงแต่งไปอย่างไรหรือว่าเรารู้ทันการปรุงแต่งนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นการปรุงแต่งในทางลบหรือถ้าเกิดเผือปรุงแต่งไปแล้วนะจนกระทั่งเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดความเศร้าเกิดความน้อยเนื้อต่าใจทอแท้รู้ทันมันซะรู้ทันมันก่อนที่มันจะลามพอรู้ทันเนี่ยมันก็จะสงบนะมันก็จะระงับลงไปได้อันนี้แหละคือวิธีการรักษาใจนะ ซึ่งก็ทําให้เราสามารถจะมีความสุขได้และจะรักษาใจได้อย่างนี้กต้องมีสติเป็นเบื้องต้นงั้นถ้าเราไม่ไม่รักทุกวันนี้เราไม่ค่อยรักษาใจตัวเองเท่าไหร่นะปล่อยให้มันเล่น ง, งานปล่อยให้สิ่งที่มากระทบปล่อยให้ใจนี่มันไปรู้สึกลบต่อสิ่งที่มากระทบคือเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็โทษนั่นโทษนี่ขณะที่โทษนั่นโทษนี่แต่กลับปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาเล่น ง, งานจิตใจ ไม่เคยคิดที่จะบรรเทาเบาบางหรือว่าปล่อยมันออกไปเลยก็กลายเป็นว่าทําร้ายตัวเองซ้ําเติมตัวเองนะทุกวันนี้เนี่ยเราซ้ําเติมตัวเองบ่อยมากนะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเล่นงานจิตใจไปให้ อ, รอารมณ์อกุศลเข้ามาทําลายจิตใจเราก็บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองนะแต่ทําไมถึงปล่อยให้อารมณ์เ่านี้เข้ามาเล่นงานจิตใจนะถ้าเราตัวเองแท้จริงนะต้องต้องไม่ไม่เปิดช่องให้มันนะเล่นงานจิตใจ หรือมาบีบคันซ้ําบีบคันซ้ําเติมใจเราได้